น, นี้ก็ขอกล่าวถึงเรื่องกรรมกรรมบทเนี่ยเนาน ะ, ะเดี๋ยวถ้าหากว่านี่เราฟังข้อความในอัธสาลีนีนิดหนึ่งคําว่ากรรมก็บอกว่าข้อความในอัธสาลีนีจิตุปาทกกันะกล่าวว่าจริงอยู่กรรมสามคือกายกรรมวจีกรรมและมนโนกรรม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 ไม่ได้ล็อกถึงเจตนาอย่างเดียวแต่ถ้ากรรมปัจจัยอันนี้เจตนาอย่างเดียวแต่คำว่ากรรมนั้นไม่ได้หมายความว่าเจตนาอย่างเดียวหมายถึงเจตนาด้วยหมายถึงธรรมะที่สัมปยุต ด, ด้วยเจตนาคือคือแยกเป็บออกเป็นสองส่วนเดี๋ยวไปเจอที่ไหนเราไปยืนยนันบอกกรรมเจตนาเท่านั้นไม่ได้บอกเท่านั้นไม่ได้บอกกรรมได้แก่เจตนาฐามถ้าตอบอย่างนี้ผิดไหมไม่ผิด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 อันนี้นะพุทธพจน์ที่รองรับรองว่าเจตนานั้นเป็นกรรมและคำว่าดูก่อนอ น, นุจริงอยู่เมื่อกายมีอยู่ความสุขและทุกข์อันเป็นไปในภายในย่อมเกิดขึ้นเพราะกายสันเจตนาเป็นเหตุก็เรียกว่าเพราะความจงใจทางกายเป็นเหตุดูก่อนอนุนหรือเมื่อวาจามีอยู่ความสุขและทุกข์อันเป็นไปในภายในย่อมเกิดขึ้นเพราะวจีสันเจตนาเป็นเหตุ ดูก่อนอนนนหรือว่าเมื่อใจมีอยู่ความสุขและทุกข์อันเป็นไปในภายในย่อมเกิดขึ้นเพราะมโนสัญจาเจตนาเป็นเหตุ น, นะนี่ก็เป็นพุทธพจน์ที่กล่าวถึงว่าเจตนาเป็นตัวกัน้นะอีกว่าดูก่อนภิสูจ์ทั้งหลายกายสังเจตนาสามอย่างเป็นกายกรรมฝ่ายอกุศลมีทุกเป็นกาไรมีทุกเป็นวิบาก วจีสันเจตนาสีอย่างเป็นวจีกรรมฝ่ายอากุศลมีทุกเป็นกำไรมีทุกเป็นวิบากดูก่อนพิสุทั้งหลายมโนสันเจตนาสามอย่างเป็นมโนกรรมฝ่ายกุศลมีสุขเป็นกำไรมีสุขเป็นวิบากนะและคําว่าดูก่อนอ น, อนุท่าโมคะบุรุษชื่อว่าสมิธินี้ถูกปาตลิบุตรปริภาชกถามอย่างนี้พึงพยากรณ์อย่างนี้ว่าดูก่อนท่านปาตลิบุตร ท่านกระทํากรรมเนื่องด้วยสันเจตนาย่อมสเสวยสุขเนื่องด้วยสุขเวทนาด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจนะข้อความก็ละท่านก็ย่อมสเสวยอทุคขมสุขที่เนื่องด้วยอทุคขมสุขเวทนาดังนี้ดูก่อนอ น, อนุนเมื่อสมมิธิโมคะบุรุษนั้นพยากรณ์อย่างนี้ชื่อว่าพยากรณ์โดยชอบแก่ปริภาชกนะแต่ปาตลิบุตรปริภาชกความที่เจตนาเป็นกรรมมีพระสูตรเพียงเท่านี้ก่อน ก็คือท่านเอาพุทธพจน์ในที่ต่างๆมารับรองว่าคำว่ากรรมนั้นได้แก่เจตนานะมีตั้งหนึ่งสองสามสี่มีประมาณสี่แห่งในในในพระไตรปิฎกนะนี่สิบห้าเล่มเนี่ยค้นได้ประมาณสี่แห่งอัทธาสารีนีท่านค้นมาให้นะว่าออคำว่ากรรมนั้นหมายถึงเจตนาประยุทธ์ด้วยเจตนาเป็นกรรม ท่านแสดงไว้ด้วยกรรมมัจจุกะนะีเรียกว่าหมวดสี่แห่งกรรมธรรมะที่สัมปยุติกับเจตนาเชื่อว่าเป็นกรรมตัวอย่างเช่นว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายกรรมสีเหล่านี้เรากะทําให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วประกาศธรรมะกรรมสีเป็นฉไหนดูก่อนพิสูจทั้งหลายกรรมดํามีวิบากดําก็มีกรรมขาวมีวิบากขาวก็มีกรรมทั้งดําทั้งขาวมีวิบากทั้งดําทั้งขาวก็มี กรรมไม่ไดำไม่ขาวมีวิบากไม่ไดำไม่ขาวย่อมเป็นไปเพื่อความสิ so ้นกรรมก็มีดูความพิสูจ์ทั้งหลายก็กรรมไม่ดำไม่ขาวมีวิบากไม่ดำไม่ขาวย่อมเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมเป็นฉไหนสติสัมโพชงธรรมวิจยะสัมโพชงวิริยะสัมโพชงปีติสัมโพชงปัสสัตถิสัมโพชงนะนีสมาธิสัมโพชงอุเบขาสัมโพชงอันโพชงนี้ เราเรียกว่ากรรมไม่ดำไม่ขาวมีวิบากไม่ดำไม่ขาวย่อมเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมอันนัในพ่อชงเจตมีเจตนาอยู่ด้วยไหมพ่อชงเจตเนี่ยนะในเจตองเนี่ยมีมีคำว่าเจตนาอยู่ด้วยไหมไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยพ่อชงเจตก็เป็นกรรมแต่แต่อันนี้เขาเรียกว่าคําว่ากรรมนี่มีสองความหมายใช่ไหมหนึ่งหมายถึงตัวเจตนาสองหมายถึง ธรรมะที่สัมปยุติกับเจตนาตรงนี้เนี่ยอย่างโพชองเจ็บเนี่ยเป็นธรรมะที่สัมปยุติกับเจตนานะก็คือโพ่อชองนั่นเองเรียกว่าเรียกว่ากรรมเหมือนกันแต่ไม่ได้เป็นตัวเจตนาแต่หมายถึงธรรมะที่สัมปยุติกับเจตนาในขณะพ่อชองเกิดมีเจตนาเกิดร่วมด้วยไห ม, มเกิดแต่แต่ไม่มุ่งถึงมุ่งถึงพชองพ่อชองที่เป็นไปเพื่อสิ้นกรรมเนี่ยพ่อชองระดับไหน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 ธรรมะสิบ้าอย่างโดยโพ่อชงและองค์มร์เหล่านี้ทรงแสดงไว้โดยด้วยกรรมมจุจตุกะด้วยประการชนนี้นะอันนี้15ห้าอย่างใช่ไหมพ่อชงเจ็ดบวกกับอริยมร์มีองค์แดเป็นสิบห้านะยังไม่พอนะมีอีกอันหนึง่งเพิ่งทราบธรรมะที่สัมปยุทธ์ด้วยเจตนา21อย่างกับธรรมะหอย่างอีกคือ อภิชาพยาบาทมิจฉาทิฐิอนภิชาอัพยาบาทและสัมมาทิฏฐิใช่มสิบห้บวกกับ6เป็น21อนะอภิชาพยาบาทมิจฉาทิฏฐินะอนัภิชาอัพยาปาทะและสัมมาทิฐิรวมทั้งหมดเป็น21นี้เรียกว่าธรรมที่สัมปยุตกับเจตนานะเป็นกรรมเหมือนกันแต่เป็นธรรมะคือหมายถึง อ, องค์ธรรมอ่ะ องทำคําว่ากรรมเนี่ยตัวแรกหมายถึงเจตนาสองหมายถึงทำที่สัมปยุตกับเจตนาอันนี้เนี่ยยีอย่างนะถ้าเราศึกษาคำพีอย่าไปยืนยันที่ไหนสักอย่าง น, นนะเคยเรียนมาอย่างเงี้ยนะก็บอกว่าเป็นการรักษาสัจจะไวนะ้กันแต่ไปยืนยันเนี่ยเรียกว่าไม่เชื่อาตามรักษาสัจจะในจังกีสูตรกล่าวไว้อย่างนั้นนะบรรดาธรรมะเหล่านั้นโลกุตระมักเมื่อจะรวมเป็นพวกก็ย่อมรวม กรรมสอย่างมีกายกรรมเป็นต้นนะในขณะโลกุตระมรักษ์ะนะกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนั่นแหละอันนี้ก็ยกขึ้นมาให้เห็นว่าคําว่ากรรมนี้มีนัยยะค่อนข้างกว้างนะถ้าใช้คําว่ากรรมก็หมายถึงเจตนาและธรรมะที่สัมพยุติกับเจตนาสมมุติถ้าหากว่ากายกรรมสามวจจกรรมสี่เน่ยกายกรรม3กับวจีกรรมสีเนี่ยนะตัวนี้เป็นเจตนา ส่วนมโนกรรมสามอนั้นเป็นธรรมะที่สัมปยุติกับเจตนานะหมายถึงอ่าหมายถึงธรรมะที่สัมปยุติกับเจตนาเพราะว่าอะโลภะไม่ใช่เจตานาใช่ไหมหรือว่าโลพกาาโะก็ไม่ใช่เจตนาโทสะก็ไม่ใช่เจตนามิจชาทิถิก็ไม่ใช่เจตนาแต่เป็นธรรมะที่สัมปยุติกับเจตานาแต่ก็เรียกว่าเป็นเป็นกรรมเป็นกรรมเป็นมโนกรรมนะ ถ้าหากว่าเจตนาเป็นกายกรรมกับเป็นวจีกรรมภวานกรรมมีสามใช่ไหมกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมนะกายกรรมมีสามวจีกรรมมีสี่มโนกรรมมีสามแสดงว่าตรงนี้เราไม่ได้เรียนอานักขัตนีกับกรรมปัจจัยใช่ไหมแต่เราเรียนกรรมกรรมกรรมทางกายวาจาใจเรียกว่าเรียนกรรมบทนะ ในกรรมเหล่านี้เนี่ยนะกายกรรม3วัจีกรรม4เนี่ยหมายถึงตัวเจตนานะส่วนมโนกรรมสหมายถึงธรรมะที่สัมพยุตกับเจตนาแต่เขาเรียกว่ากรรมมเป็นเป็นมโนกรรมใช่กับนานัขคณนกกรรมมปัจจัยนั้นอะไปพูดว่าเออกรรมอันนี้ให้ผลเมื่อไหร่ให้ผลยังไงอันนั้นเรียกพูดแบบลักษณะนานัขคณนกกรรมมปัจจัย แต่อันนี้แค่ว่าล่วงเป็นกายกรรมไหมล่วงเป็นวจีกรรมไหมล่วงเป็นมนโนกรรมไหมอันเนี้อ่าคนละไหนกันอ่าไม่ได้มุ่งขยายนานักขคณิกกรรมปัจจัยอ่าพอพูดถึงกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมบริบูรณ์แล้วค่อยเอาเจตนาพวกเนี้ไปวินิจฉัยเรื่องกรรมและผลของกรรมอีกครั้งหนึ่งก็แสดงว่าคำว่กรรมกรรมนี่ก็แบ่งเป็นสองอย่างดีครับกรรมที่ให้ให้ผล กรรมที่มีผลนะครับคือนานาคันที่กรรมกรรนี้น ค, าาคือเทศนาวิราชนะอ่าคือนัยยะแห่งเทศนาเนี่ยที่ที่กล่าวเนี่ยเป็นนัยยะแห่งเทศนาเฉยๆแล้วแล้วนัยยะอย่างอื่นน่ยคืออะไรครับอ่นานัยยะอย่างอื่นก็คืออย่างนัยยะตรงๆก็คือกรรมมะปัจจัยไงกรรมมะปัจโยติอ่าตรงนั้นอ่ะกรรมมะปัจจัยเจตนาแล้วก็สัมปยุทธ์ทำที่สัมปยุทธ์กับเจตนานะเป็นปัจจัยแก่ วิบากกรร ม, มะชะโรหรือว่าเป็นปัจจัยแก่จิตจิตะชะโรเป็นต้นอ่ะพวกนั้นเรียกว่ากรรมมาปัจจัยแต่แต่ตรงนี้เนี่ยกล่าวถึงกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมซึ่งกําลังเกิดขึ้นเท่านั้นเองคือเพียงแต่สําเร็จเป็นไปทางทวาร น, นั้นๆเท่านั้นเจริแ ต, จแต่ไม่ได้หมายถึงว่าตัวกรรมที่ให้ผลเจริญพรคือยังไม่ได้ขยายในเป็นเรื่อง<น>ที่<น>ทําสําเร็จไปทางทวารนั้นๆเท่านั้นเจริญพรกล่าวถึงขณะที่กําลังทํานี้เท่านั้นเอง เสร็จแล้วพอทําเสร็จแล้วค่อยเอานานะคะคี่นี่กกรร ม, มปัจจัยมาวิจัยอีกครั้งหนึ่งรอบสองอันนี้รอบแรกพูดแค่ว่าลักษณะกายกายกรรมวจีกรรมและมนโนกรรมอันนะทวนอีกครั้งจําได้แล้วนะกายกรรมมีสามวจีกรรมมีสี่มนโนกรรมสามกายกรรมวจีกรรมองค์ธรรมได้แก่เจตนานะ ส่วนมนโนกรรมองค์ธรรมได้แก่ทมที่สัมปยุตกับเจตนาหมายถึงอะไรหมาย <c oughs> ถึงมนโนกรรมถูกต้ององค์ธรรมได้แก่หนึ่งโลภะสองโทสะสามิจฉาทิฐิสามดวงนี้เรียกว่ามนโนกรรมฝ่ายอากุศลซึ่งเขเกิดร่วมกับถือว่า ธรรมะที่สัมปยุตกับเจตน า, าทีนี้ถ้าฝ่ายกุศลกายกรรมสามวจจกรรมสีกนั่นแหละเป็นหมายถึงเจตนาที่เป็นกุศลเจตนาแต่มโนโกรรมนั้นองค์ทาได้สามคือหนึ่งอนาภิชาองค์ทาได้แก่อโลพะสองอพยาปาทะหมายถึงอโทสะและสามปัญญาหรือสัมมาทิฏฐิอันนี้ก็เป็นมโนกรรมเป็นมโนกรรม แต่เรียกว่าเป็นธรรมะที่สัมปยุญกับเจตนาฮั้นเจตนาเนี่ยอยู่ในฝ่ายฝ่ายอโภโหหาริกมีเหมือนไม่มีเขาว่างั้นไม่พูดถึงเพราะฉไอ้ตัว3มตัวเนี่ยเป็นตัวให้ล่วงมโนกรรมะนะเป็นตัวให้ล่วงมโนกรรมคืออะโลพะอโทสะอะโมหะเป็นตัวทําให้ล่วงมโนกรรมฝ่ายกุศลเนนะีเรียนตอนแรกๆเกร น, นื่ว่าเข้าใจไปตั้งเยอะเลยเนาะ ออกไปเอามาชักวิจัยแง่มุมต่างๆนี่นก็ชักเอ๊ะยังไงกันแน่ไม้ก่อนเนี่ยเอามาเนี่ยง่อยเลยอ่ะเอาคือเราเอาธรรมะหมวดอื่นๆมาสงเคราะห์มาถามดูนะอะนะอย่างถึงธรรมะหมวดน้นก็นเงียบอย่างหมวดนี้ก็เงียบนี่ยังไงกันแน่เนี่ยเอ๊ะแล้วเราเข้าใจกี่เรื่องกันเนี่ยมขาดความมั่นใจไปเยอะกันนะี่เรารู้อะไรบ้างเนี่ยโอ้ทีนี้ อนนีเอาใหม่ค่อยๆ อ, อคมพีร์นี้ว่ายังไงคำพีนั้นว่ายังไงเขาค่อยว่าไปเฉพาะเรื่องเฉพาะเรื่องเฉพาะเรื่องไปนะนานๆเข้าเขาก็เรียกว่าผู้รู้เหมือนกันนะเขาเรียกให้อะเขาสมมุติให้ที่จริงก็ยั ง, ย, งยังเรียนเหมือนเดิมนั่นแหละอะคําว่ากายกรรมนี่นะครับสมมุติว่าถ้าหากมันเป็นอกุศลือฝ่ายกุศลนะครับถ้าสมมติว่าปานาธิบาส น, นี่นะฮะเจนพาสมันสําเร็จไปทางกายถูกไหมครับ เจนพารทั้งหมดทารแล้วตัวที่ให้ผลคือตัวเจตนาอ่านั้นพูดโดยนานาขาพนิกกรรมปัจจยัยแต่แต่เราไม่พูดแต่ยังไม่พูดเต็มยังไม่พูดพูดแปดแต่เพียงว่าเขาสําเร็จไปด้วยเขาเป็นกรรมหรือยังเขาเป็นกรรมหรือยังเจนพานนะเขาถือว่าเป็นกายกรรมหรือยังเป็นวจีกรรมหรือยังเป็นมโนโกรรมหรือยังอ้โหมันก็ต้องเป็นไปตามนั้นที่ครับแล้วทำไมต้องไปสงสัยว่าเป็นหรือไม่เป็นล่ะครับ ก็ทํากายกรรมเนี่ยทําทุจริตทางบัญชีกรรมอย่างเงี้ยครับมันก็เป็นวัญชีกรรมอยู่แล้วครับทีนี้จะได้รู้ว่าล่วงกรรมบทรหรือยังอ๋อถ้าล่วงกรรมบทรหรือยังเท่านั้นใช่ไหมฮะคือเพื่อที่จะได้วิจัยเรื่องลึกๆต่อไปอีก ว, าวกรร่าล่วงกรรมบดไหมครับถ้าล่วงกรมบทจะให้ผลให้ผลอย่างไระนะค่อยๆวินิจฉัยเรื่องอื่นๆอีกเพราะว่าความเข้าใจอันนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งการ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 ก็เกือบเข้าใจครับเกือบเลยนะไม่เป็นไรจำสูตรไว้ก่อนจำสูตรได้แล้วก็วันหลังเนี้ยก็คิดออกเองสูตรเขามีว่าทวนอีกครั้งหนึ่งเจตนาทางกายทางวาจาเป็นนะกรรมกรรมทางกายวาจาหมายถึงเจตนาส่วนมโนกรรมนั้นได้แก่ฝ่ายไหนอ่ะ ต้องรู้ว่าฝ่ายอกุศลก็ได้แก่โลภะโทสะโมหะเรียกว่ามนโนกรรมอโลภะอโทสะอาโมหะเรียกว่ามนโนกรรมทางทางกุศลนะนะค่อยค่อยแยกไปแค่นั้นเองสูตรก็มีแค่นั้นอ่ะที่เหลือไปคิดเอาก็ไม่สงสัยเูรก็มันมีไม่มีผลเท่าไหร่นั่นนะะมีผลต่อการเรียนคำพีต่อไป